อะไจะขาดตกบกพ่องมีมากมีน้อยไม่ได้สําคัญยิ่งกว่าทํำสมบูรอะไรที่อยกให้ทราบตรงนี้ตรงที่เป็นความมุ่งหมายอะไรจะเกิดขึ้นมนาะให้เป็นความบริสุทิ์ใจมีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้มันก็เป็นอุบายไม่เรียกเกียงนเทียงเป็นการกดขี่บังคับกันอยู่โดยทางอ้อมนั่นแหละมันก็ขาดต่อทยิยาัย มันไม่ใช่ศรัทธาแท้เอกคิดใจให้ําผู้ภูลาก็ไม่ไรับแบบนั้นนี่รับแบบมาด้วยความบริสุทธิ์รับด้วยความบริสุทธิ์เป็นธรรมตรงนี้รงเ น, นเป็นยังนี่ น, นนะคิดหมดแล้วนี่มนั้นกล้าสอนหูเพื่อรมองไปที่ไหนก็มองหมด เราก็เคยเกิดกับโรคมานานหนึ่งเห็นอะไรดีเห็นอะไรวิเศษจนลืมเนื้อลืมจนจะลืมเนื้อลุมตัวมันก็เห็นมาแล้วมันเป็นมาแล้วคิดถ้าพูดถึงเรื่องรักผมก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังจนจะข้างนอนไม่หลับมันจะตายอืมนันจะเป็นคาราวาสรักผู้หญิงไม่ใช่อะไรอืา ลักก็เป็นลักญาติวงกันด้วยถูกผู้ใหญ่ไปโยแหลกฝ่ายนั่นก็ว่าอา้าวดีเป็นวงตระกุลเดียวกันญาติเดียวกันได้กันก็ยิ่งเป็นกันเองก็ยิ่งง่ายอืเนี่ยถ้างนึงก็เห็นนะฮะทางนึน ง, นงวง่านี่พวกจะจะมาทําลายตระกูลกันเหนือเนี่ยนั่น คนนี้คือว่างนั้นคนนี้ว่างั้นเรียกกันว่างนั้นพินี้จะมาให้เรียกคนนี้เป็นปู่คนนั้นเป็นยา่าคนนี้เป็นอย่างนั้นชูมาเรียกกันได้ลงคอเหรอนานถูว่างเอาเป็นที่ในวงคนอะไรในการทําลายญาติในเหือ่อนานพวกหนึ่งขึ้นอย่างนี้ในวงญาติพิจารณาดูทางเหตุผลแล้วเราก็ยอมถ้าอย่างนั้นก็ตาดมันจะตายก็ยอมตายออกมาแล้วก็ม่เกิดประโยชน์ลงเลืยดขวาง ผู้ใหญ่ขว á n ญาติขว áng งวงขว áng สกุลแล้วเอาประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้ทั้งๆ ท, ที่มันจะตายไม่ได้มันรักประมาณแล้วมันกระสิดมันก็ขว áng นั้นนะฮะความจเจริญไม่ได้ทอดเราเคียงเท่านี้ทําความเสียหายแก่วงสกุลมากมายไม่มีใครเห็นดีด้วยแล้วเอาก็ทําใหม่นนี่ก็เคยเป็นตาบรงอย่างขาดสะบัน้นเลยหัวใจนี่ ขนาดนั้นนั้นไม่จะเล่นนะกีดนี่นะนี่อย่างนี้มันก็เคยเป็นมาแล้วแล้วเคยสู้มันมาแล้วด้วยต่อไปก็เดินมาหัวเราะเรื่อของมันพ่นเหมือนกันเลยแต่ก่อนมันจะมีมันจะมีญาติมีวงมีพ่อมีแม่มันจะมีแต่มันคนเดียวเก่งกว่าพ่อกว่าแม่กว่าญาติกว่าวงกว่าใครทั้งหมดจะให้ได้อย่างใจเหมือนอย่างนั้นกะเดละมันหนักขนาดนั้น แต่เวลาเรื่องทั้งหลายขึ้นมาแล้วเหตุผลเพราะเราก็ไม่ต้องการจะเป็นคนเลวขนาด น, นั้นจะทำได้หรือคอยเหรอคุณก็ต้องยอมยอมจนทั้งที่ตัวกิเลสมันไม่ยอมเอาเอ า, อามายอมก็เอาอายเห็นจะวงศกุลว่าจะขาดไปบ้างเอาปฏิบัติเก็ไปเจอตรงนั้นอีกก็ไปเจอตรงนี้ เรามาแก้กิเลสมันทำไมถึงมาเป็นแบบนี้พ้นไม่เคยพบหน้าพบตากันเลยตั้งแต่วันเกิดมามาเจอก็มันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันอะไรพอมาแก้กิเลสแล้วทำไมมันถึงมาเจอแต่อย่างนี้เนยปาดกันเลยฟาดกันเลยนี่หมายถึงว่าจิตที่ยังไม่มีหลักมีเกณฑ์มันเป็นกันได้นหมรบกันอยู่นั่นแ่ะมันไม่มีอะไรที่จะกลัวใจยิ่งกว่าคนี้เท่าทําผมปฏิบัติมา ตัวราคาตันหานี่ตัเด่นที่สุดและตัวดื้อที่สุดตัวทําลายตัวเองทําลายทําทั้งหลายโดยไม่รู้สึกตัวที่สุดก็คือตัวนี้เ mm hmm. วลาที่เหยียบหัวมันลงไปมันถึงนี้รู้มันเด้ชัดอทโถขนาดนั้นเฉลือะอตัวนี้มันสงบลงไปบก่นอน เย็นนะทีสบายไปหมดโอ้ยังรู้ว่าต้องแหม่ตัวนี้เป็นข้าศึกสําคัญมากฟาดลงไปฟาดลงไปแล้วยืดเจ็บแบบมาตีลงไปฆ่าลงไปแต่กระทั่งเรื่องของโลกกวา้างแสนกวา้างหมายแสนหมายมุ่งแสนมุ่งเห็น อ, อันนั้นมีเกศอันนี้มีโสมก็จางไปจางไปเพราะทําไมมันถึงจางทิงกระเพาะ อันนี้มันเด่นนี่ทําัเด่นในหัวใจเด่นขึ้นเด่นขึ้ น, นมันก็ปล่อยแล้วที่อะไรก็สูนสนี้มันอะะสุนนี่มันอะสูงขึ้นสูงขึ้นเด่นขึ้นต้องปล่อยวางมันาฟาดแล้าก็าจะโลกธาตุภายใน จ, จิตใจนี่มันสะเคลือนหมดแตกกระจายหมดแล้วเห็นอะไรสิน่นี่นั่นแม้แต่ธาตุแต่ขันมันจะไปเมื่ อ, อไหร่ก็ไปสิเนี่ยอยู่นี่ก็อยู่มานานแล้วนะอ่ะ พาอยู่ภากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายยุ่งกับาาเรื่องอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยพาราฮาเวปัญจักขันธามันไม่มีอะไรหนักยิ่งกว่าขันธ์ตั้งหานี้ภูเขาทั้งลูกเราไม่ได้แบกมันจะรู้ว่ามันหนักได้อย่างไงแต่ตัวนี้เราแบกไปทุกวันทำไมจะไม่รู้ว่ามันหนักแน่หุยธเจ้าว่าพาลาฮาเวปันจักขันธามันหนักด้วยอํานาจของอุปทานด้วยความรับผิดชอบด้วยเอาอุปทานความมีมัน่นถึงมั่นมันหมดไปมันก็หนักด้วยความรับผิดชอบอีกอันหนึ่งแน่หนึงวัน ราอยูนตะกันตาหาม่อยากอยู่กับไปสิเคิดมานี่กันนานแล้วได้อะไรบ้างก็มีแต่เพียงขาสองแขนสองหัวหนึ่งก็เท่าเดิมไม่เห็นมีอะไรจะเพิ่มเติมขึ้นมาพอที่จะเพิ่มเติลืล่นดรื่องมันถึงเรื่อหวังนั้นหวังนี้อะไรจากมั น, นต่อไปนี่มันก็ไม่มีเอามันจะจนกทั้ง จิตกับโลกทาตมันอยู่ด้วยกันก็เหมือนมันไม่มีมันไม่มียังไงก็จิตดวงนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรไม่ไปว่าไม่ไปสําคัญว่านั่ น, น, นมีอันนี้มีอันนั้นดีอันนี้ชัว่วจิตเป็นจิตสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงไม่ยุ่งกันแล้ว ม, มันจะมีอะไรมาเป็นโลกทาตุอยู่ในหัวใจเมื่อหัวใจไม่ไปคว้านโลกทานมาแบกบมาหามให้หนักเท่านั้นหนุ่ยเท่านั้น นี่ผมวิโตวิจาร์ข้หมู่กับเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยมากถึง เ, เรื่องปัญญาความแยบขายมันเห็นอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกระยะอันนี้ผมไม่ตั้งใจจะมาเพ่งโทษหมู่เพื่อนผมเป็นอาจารย์ข้าหมู่เพื่อนสอนหมู่เพื่อนบกพร่องตรงไหนเหมือนกันนักมวยครูกับนักมวยเขาต่อยกันนั่นเองเวลาฝึกซ้อมกันครูกับนักมวยฝึกซ้อมกัน นี่เขาเล่าให้ผมฟังเขาเป็นครูมวยอ่านี่เท็จที่เรื่องพูดผมก็ไม่ได้เป็นเป็นนักมวยเป็นครูมวยเลยจะ อ, อ, อยู่กับโลกมันก็ต้องได้ยินได้ฟังได้เห็นเวลาต่อยกันต่อยกันไปนี่จะเปิดตรงนั้นนครูน่ะบอกนะต่อยไปต่อยไปย่าเปิดตรงนั้นออืแล้วก็ต่อยไปต่อยไปพอครั้งที่สามก็ป Ł ั้วเใส่ปุ่นเข้าไปแล้วครูนะ่ะเราสมมตวเราเปิดตรงนั้นอะไรจะขึ้นตรงนั้น สมมติว่าสอกจะเข้าตรงนั้นหรือหมัดจะเข้าตรงนั้นหรือเขา่าหรือเตะมันจะเข้าตรงนั้นไม่บอกเป็นเทียงว่าจะเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นพอถึงขั้นที่สามปั้วเข้าไปเลยพอเตะก็เตะเลยจะเปิดตรงนั้นนานนี่เป็นครูเป็นผู้ต่อยเป็นผู้เตะไม่ได้ตายไม่ไเจ็บมากเหมือนผู้ต่อสู้ต่อยถ้าเธอผู้ต่อสู้อย่างนั้นแล้วเสร็ ไม่เพราะฉะนั้นคูจึงต้องเตือนเลยทั้งต่อยทั้งเตือนอยู่นั่นตลอดนี่เขาพูดให้ฟังนกักชาติแล้วเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นบอกพอครั้งที่สามปั้ะเลยจะเปิดตรงนั้นะะ น, น, นะทีนี้นังวันมันก็เข็ดมันก็รู้เลยพี่เพราะไม่ต่อยให้ตายนี่ต่อยฝึกซ้อมกันเพื่อความชำนิชานาญเพื่อความรอบครอบตัว รักษาตัวได้ไดใต้ชายชนนพ่เฝึกกันเพื่อ น, นันต่างหากอันนี้ก็มองเห็นที่ไหนก็เหมือนกับว่าจะเปิดตรงนั้น ด, ด, ด, ดูที่ไหนก็เหมือนกันดูเรื่องอะไรก็เหมือนกับว่าจะเปิดตรงนั้นนั่นเองมันเห็นอยู่จะทัดแสดงว่าปัญญาไม่ได้ใช่แล้วก็พูดอยู่แล้วว่าอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสในหวัวใจของเรา ในโลกกระานนี่ไม่มีอะไรแหลมคมนุ่มกว่าี้เลยใช้แบบขึกนๆก็ไปให้เขาต่อยเขาตายเฉยๆได้เลยอฝึกต้องซ้อมดีฝีปัญญาหมูต้มกินไม่ได้นี่ฝึกหัดใช้พริกแพงเตือน่นแปงหลายสันหลายคมต่อไปมันก็ค่อยเข้าใจของมันเองพอมันได้ผลมันก็เข้าใจแล้วมันก็มีจใจใจมันต้คิด หลขั้นนก็ไปมันจิ้นจกระดูดก็ดื่มเขาเห็นผลไปเรื่อยๆนี่นบะปัญญาเขาค่อยแตกกระจายออกแตกกระจายออกตั้งแต่ส่วนยาวแล้วก็ซึมซาบเขาถึงส่วนละเอียดส่วนละเอียดเข้าไปมันหนียวเหนียปัญญาไม่ได้งไงนี่จะมาทั่งเท่าถึงทีมันเลยนี่จะปัญญาสติกับปัญญาไปด้วยกันนะเมื่อถึงขั้นมันเป็นมันเดียวกันแล้วแยกไปออกนะสติกับปัญญาแยกไม่ออกมันไปด้วยกัน เห็นพอจิตกระเพื่ออ่มนะกระเพื่มปรุงมันถึงขนาดนั้นนะมันถึงทันกันเมื่อถึงขั้นมันทันกันนะพอจิตการที่จิตตรงนั่นคือกระเพื่อมแล้วน่ะการกระเพื่มนั้นแหละคือการตุกสติปัญญาซึ่งมันเจาะตัวเหยี่ยวอยู่แล้วพอกระเพื่มพับรู้ทันทีเลยดับพับเอาดับดับพับลงไปก็ตามตามพ้นถ้ามันตรุงขึ้นมาด้วยสมุทัยเนี่ยมันจะไม่นนแหมันตามพ้นกัน หลครั้งละหนมันกระทนไม่ไหวขาดสะบันไไ้นกระด้านนะอัญญาเป็นของฝุดได้ฝึกไม่ได้พระเจ้าไม่สอนในตัวของเรานี่ฝึกให้เป็นคนดีได้ถ้าเราไม่ยอมเชื่อกิเลสเสียว่าจนไม่มีครูมีอาจารย์มีาศาสดาอยู่ภายในใจมันอย่างไรก็ต้องได้สำคัญที่มันเชื่อกิเลสจะจนเป็นยิ่งกว่าพ่อของแม่กว่าครูกว่าอาจารย์กว่ า, าศาสดา ไม่มีทางถ้าอย่างนั้นคนที่เชื่ออย่างนั้นแ่ะคือคนที่จะทําตัวให้จมที่สุดไม่มีทางอ่ะยิ่งปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมข้อละเอียดเท่าไรเท่าไหร่ครูอาจารย์ยิ่งเป็นเหมือนแว่นใช่ไหมเหมือนแว่นสองทางเดียวท่านพูดคําไหนเนี่ยมันซึง้งซึงเข้าไปเพราะเป็นทางที่เราจะเดินที่จะก้าวไปตามท่านนี่ ท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วพูดตรงไหนไม่ผิดนี่แล้วคนอื่นมาพูดพูดไม่รู้เอาคําจํามาพูดเอาคําในฐานะว่าตัวเป็นอาจารย์ตัวเป็นมีอายุพรรษามาพูดมันเข้าความจริงไม่น่านี่ความจริงมันไม่ชูไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อายุพรรษามากน้อยความจริงคือความรู้จริงเห็นจริงจะเป็นขั้นใดก็ตามพูดได้เต็มปากนี่สําคัญตรงนี้เพราะฉะนั้น ผู้ว่าอาจารย์องค์ใดที่ท่านมีความชานิชานาญท่านผ่านไปแล้วยับออกมาแล้วเรารู้ทันทีจับปุ๊บจับปุ๊บเลยมื่มันผูกอย่างไม่จับได้ไงเราหาที่ยึดอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่งพี่อาจารมั่นเป็นต้ น, นยับออกมาทานั้นหลังถึงเลยกิเลสมันขาดไปเลยความสงสารของเราที่เคยมีอยู่างนจุดนั้นขาดสีบั้นไปเลยนั่น ถึงถึงขั้นมันเป็นหัวเรียวหัวต่อแล้วถึงขั้นมันช้าประจําความมันประจำจริงๆริงนะผมเป็นมาแล้วใครมาสอนมาพูดสูงสี่ห้ามันดูถูกได้แค่ใใจหืมภูมิกี่ขนาดนี้มาสอนเราได้่นอนนะ <c oughs> คือไม่ยอมฟังเหมือนมันรูปครรมให้เราดู น, นี่จะมาสอนเราให้เรืเ่สติสตังให้มีทางเดินไปนนกรรมมารูปมาครรม เหมือนคนตาบอดท่าดูให้เราเห็นแสดงว่าภูมิอย่างนี้ยังมากล้าสอนเราได้เหรอนั่นเป็นอิมพใจนะพูดง่ายๆก็เรารู้แล้วนี่เพียงพูดออกมาตอนนั้นก็เห็นให้เห็นความผิดแล้วนี่แล้วจะเอาอะไรมาสอนเราให้ยิ่งกว่านี้ได้หรอนะนนี่มันเป็นในหลักธรรมาชาติขอ ง, งกิิตที่ว่ามันไปช่องเดียวของมันจริงเวลาถ้าเรา เข้าถึงขั้นละเอียดของธรรมเนี่มาสอนดึงสี่ดึงห้าไม่ได้นะผู้สอนต้องเป็นผู้มีภูมิเหนือนี้หรือผู้ภูมิมีภูมิเท่ากันพูดกันก็เป็นเครื่องเสริมกันเห็นด้วยกันหาที่ข้านกันไม่ได้เพราะรู้ด้วยการเห็นด้วยกันแต่ผู้ที่เหนือกว่าท่านเหนือกว่าเรานี่เปิดช่องให้เราเห็นทันทีทันทียอมรับทันทีก้าตามทันทีนี่แหละภาพปฏิบัติึงเหมือนกับว่าถอดจากจิตดวงนี้ใส่จิตดวงนี้ ที่เรียนมามากน้อยนั้นมันก็เหมือนยาทั้งหีบทั้งตู้นั่นแหละยกกันมาทั้งหีบทั้งตู้มาทุ่มแต่คนไข้มันเกิดประโยชน์อะไรนอกจากทำให้คนไข้าตายเท่านั้นเป็นหมอผู้ชํานี้ชำนานมาแล้วในเรื่องอยู่เรื่องยาแล้วเขาไม่จําเป็นจะต้องไปเอายามาทั้งหีบทั้งตู้เอยเขาถามอาการเท่านั้นะตรวจ ด, ดูแล้วป้าเขาะจะไปเอายาที่เหมาะสมกับที่เขาตรวจแล้วว่า ไปโรคชนี้นั้นคนจะแก้ด้วยยาอะไรนั้นคนฉีเขาก็เอาน้ํานั้นมาฉีหลอดสองหลอดเท่าที่เห็นว่าจําเป็นเท่านั้นอันนี้ธรรมะก็เหมือนกันไม่ใครมัจะไปยกมาทั้งประกายพิฎกมาทุ่มกันทุ่มกันทุ่มก็เหมือนด่างแบบดงยาทั้งหิมาทุ่มกันนะถ้าทุ่มคนไข้มันตายทิ้งหรือเปล่ามาจากเพราะที่เหมาะกับ ผู้กำลังลําเนินอยู่ในจุดนั้นจะต้องแก้ขไขด้วยที่วิธีนั้นเท่านั้นนะป้าบลงระตรงนั้นทางทลายเลยนะไม่ได้พูดมากนักปฏิบัติยิ่งเข้าไปละเอียดเท่าไหร่ยิ่งไม่ได้พูดมากเลยใสยป้าบเข้าไปแยบเดียวเท่านั้นได้ความได้ความผมเป็นมาแล้วนะ ทิทฐิมานะก็ว้าจิตมันคงไม่ได้ลมด้วยนะว่ามันเป็นทิฏฐิม า, น, า น, นะมันต้องการของจริงๆมาพูดปลอมๆให้เราฟังได้หรยอดดมันเป็นของติดได้กิเลสมันเป็นของ เครื่องแฝงไม่ใช่เป็นของดั้งเดิมไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหมือนจิตจาไม่ให้มีจิตนี้เป็นธรมมนธรมธาตุมโนธาตุธรรมธาตุแท้ยิ่เลยแม้จะเป็นวิชชาเลี่ยขนาดไหนมันก็เป็นสมูทมันแทรกอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นจ่งแก้ได้เพราะเป็นสิ่งที่แฝงอยู่กันอยู่ไม่ใช่เป็นเนื้อหนังอันเดียวกันแท้ ก็ยัได้ไม่ว่าจะเศษประเภทใดไม่ว่าความรักความชังความโกรธความเกลียดชนิดอยาชนิดการชนิดละเอียดมันเป็นเหมือนกาฝากมันอย่างนั้นไม่ใช่ตัวจริงมันเกิดอยู่กับต้นไม้ต้นนั้นจริงแต่มันเป็นกาฝากมันไม่ใช่ต้นไม้ต้ น, นนั้นแท้มันหากสร้างเนื้อสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างตัวของมันสร้างกิ่งใบดอกผลมันขึ้นในต้นไม้นั้ น, น, นโดยอาศัย เอาต้นไม้นั้นเป็นอาหารของมันนี่ก็กิเลสมันสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาภายนจิตใจมันเอาใจของเรานี่เป็นอาหารของมันอืเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้มันได้มันเป็นกาฝากทําไมแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้คนดีได้ไงผู้ทีเจ้าตัดสู้ได้ไงเป็นตระกูลของลูกได้ไงทําไมเราจะนํามาแก้เราแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่เป็นคนหมดสาระคุณสิอย่างเดียวเท่งนั้นมันต้องแก้ได้ถ้าจะเอาความรู้ความเห็นของกิเลสมาก เขาทําลาสาระขุณจนหมดกล้าเป็นคนหมดคุณค่าหมดหวังไปแล้วมันก็สิ้นท่าหาความหวังไม่ได้แล้วเป็นคนไคข้ของนี่ค่อยมันก็นรมหายใจนอนข้าวข้าอยู่ในห้องไอซเท่านั้นพวกเรามันไม่ใช่ประเภทไอซูนี่นะเปนประเภทที่จะต่อสู้กันหน้ากับกิเลสโทษคุณมันก็เห็นด้วยกับใจอยู่แล้ว ครานี้นนนะนทุนนหน่อยครับครั้งที่2เยที่แรกไม่เหนยะครั้งนี้รู้ทนเหยหาว่าวล้เอาละ